อะไรมันจะถึงใจแนละ้วมันมันไม่ป่อย น, น่นะีองนะเขาไมไ่สอนหมู่เพื่อนดึกเย้ยแบบเย้ยนิ่ น, น, นัอนตักแตสอนนะผมเอากิิงจริงสอนจรงงอนเขอ ง, ขอของขอสอมาอย่างนี้นะมันก็เถือนใจมากาจริงๆถ้าทำแตนะ่ทำนี่แะมันอะยู่ธรรมดาดูหมู่เพื่อนนี่เป็ดูไม่ได้นะผมไม่คาดไม่ฝังมัจะเป็นอย่าง พ อ, อนพูดเสมอทุกท่านไหนจ ะ, ะไรามาเรื่องการต่อสร้างมันเป็นไทยต่ตอการจัดการมาเาลน่นแล้วก็คิดแล้วคินแล้วกินแล้วอันครีเราก็ทำแล้วเมื่อเห็นมัก็ทัดลื่นเด่นดุกวะนั่นอถ้ากินหมายถ้าเหมือนปอกเปลือกเหมือนว่าถูกกับถูกขังไว้ในเดือนําพอได้จังหวะมันดีทุกขดงดุจังเหมือน ยักษ์มื้อผีหาอาหารเดือนหมดมันจนไม่มีครูมีการไม่มีผู้ใหญ่ทั้ทงนั้นไปมุตตะกามมาเรียนมีไก่อเลตัวจับยาออกมาแสดงแต่หน้าแตกต่างอนี้ตุ่กลางุ่นกลางตุ่นกลาดูมั น, นด้ มีความใหญ่นะที่แสดงฮะาำถามว่าไงตอบยังมาทักท่านนะเราถามเอาความอะไรอย่างนี้น ะ, นะฮะอูท<ะ>ทำไมท่านเป็นอย่างนี้ท่านมาอยู่ทำไม ท่านเห็นหรอ่าท่านคิดไหมดวตดงนี้ไปเฉยแต่ที่ไหนจนท่านไม่ได้บอกผมจะทำเดียวในนามผมเพิ่มเปเจ้าว่าตามหลักทำหลักนังไเป็นยังไงอตอบมาเลยผิดลท่านยอมว่าไง ทานที่มาอยู่คือเดียวเนี่ยไม่เอามาอยู่ๆถึงท่านไม่ใช่รหมานาจเขาจะมาบังคับอยู่ๆถึงต้องดูําต้องการถ้านี้ขอบมีเหตุมีเหตุมีผลมีหลักธรรมแบบยังไงพูดกันใ น, นในผลใ น, น, ใ น, น, ในหลักธรรมงไเหมือนผีดูพระดูยังไง พวกเราก็ตกเยอะพวกกติกายัวเยี่ยยัวเยี่ยยัวเย่ยไม่ทราบว่าทางมังกรเป็นยังไงมันเห็นยัวเยี่ยาายัว เ, เยี่ ย, ย, ยอยู่ทำอยู่เวลาไหนก็ดีเป็มนึ่งกัพะมันภาวนาอะไรอย่างเงี้มาภาวนาอะไรกันเป็นอย่างเี้ยนอะเคยอยู่ มาอยู่วัวจางไปอยู่มาแล้วก็เคยมาปวนมนห้าสิบปัญษากำลังจะเข้ามั้งวะเรื่องที่จะเขียเล่ยมองไม่ทันนี่คือสำคัญนีืททำให้เกิดความวิาร์อาใจในการที่รับหมู่เพื่อนถึงการสอนสสอนูเพื่อนัน มันอยู่ในทางมันสบายยิ่งกว่าอะไรยนาไม่มีอะไรกลัวก่อนเราไม่ได้วางอะไรก็หมูนเะื่อนรับหมูรับเพื่อนนั่นเรหวังเพื่อผลประอยชน์เวลาผล ม, มันแสดงมาอย่างนี้มันเข้ากันได้ไหมเอาการลงสอนมาแทบร่มกับตารงานมัสเป็นตัวขาดไ มีดุมีผลเราเอาวัตออกผอบอเหตุเอาความเป็นธรรมของหัวใจพระอันเองเราไม่ได้ออกะรเราไม่ตองการอำนาจลกานานอกเหนือจากหลักธรรมหลักจริยธหากจะเป็นอำนาจลานาก็ให้เป็นอยู่ในหลักธรรมอยไหไม่เป็นอยู่กับเราเรากราบพอพุทธเจ้าพระธรในสงฆ์ตลอดเวลาเราไม่ได้กราบเราพอที่ถืออำนาเราก็เยียบย่งทำานลักลนาและมึงเพื่อน แล้วภาใหม่ที่ไหนบ้างด้วยเยอะๆอยู่เนี่ยไม่ได้หลังโอแล้วองค์ไหนมุชาวานี่ที่บอกให้มาประเก็นบาตบอกให้ประเก็นบาตรนี่เรยนรอประเก็นบาตเนี่ดูมันนี่ก็บอกรับประเก็นบาตรหนึ่งแล้วเดินหนีไปนู่นแล้วต้องอตามออกมานณองค์ไหนคือว่าไงหืม ฮะท่านทำไมถึงเป็นอ่างนั้นเมื่อวานเนี้ยผมบอกท่านอยู่นี้แค่ท่านเดินมานี่ผมบอกท่านจ้องหน้าใส่กับท่านแต่แค่ท่านก็เห็นดีบอกให้รับประเพณีบาทหนึ่งทําไมท่านเดินแถบอะไรเป็นเมื่อความหมายคือท่านมาทางมาอบรมอะไร ถ้าท่านจปตั้งใจฟังทํ า, ท า, ทาทไมจะไม่ฉันผมตังใจพูดแทนพูดต่อหน้าท่านท่านมานี่มืวนมันสะดุดใจอิ่มเหมือนกันอันนี้ในการสั่สอนหมู่เพื่มันไม่จริงไม่จังอะไรเลยนี่น่ะที่บามามาเรื่อยๆดอนๆเรือไหลเนี่ยพูดอะไรไม่รูเรื่องมารู้เรื่องไปมันก็ต้องเป็นอย่างนี้น่าจะมาอยู่นี่เพื่อการรวมใจแทบเพราะไมเห็นเป่นชักชอย่างนี้ แลมันจะความวิเศษวสมาจากไหนที่ออกไปจากมีแต่วิเศษขึ้นไปบางทานที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยว่าเรื่องนี้มันไม่วิเศษมันเรื่องเถล่เถลิ่ยเรื่องหาเหตุหาผลหาลักหาเหตุมาได้เรื่องจิตใจเลื่องล อ, อยทแท้ๆไม่สนใจไม่เอาไหนคุณดูวัดไหนอยู่วัดบางกุ ท่านรู้ไหมวหัวใจท่านมันเป็นั่นมากมานคือพันธรก็ดีพ่อนามทุกอย่าเป็นท่าเป็นทางเพราะจิตมันไม่ตัดจิตมันไม่เกิดไม่จบไม่เป็นหลักจป็นเกั้งนั้กลว่าฟังอยง น, นันนึกแตเดิมไม่อไหนมันฝังหัวใจ ความินอะไรเข้ามาได่นปัดออกหมดแั้นี่แขงมีคนมาเหมือนกันนะการติดต่อพูดกับแขกกับคนกเหมือนกันอย่ามาเป็นเจ้าตัวประจุประเจังเห็นอยู่ในวัดนี่นะเราไม่ต้องการถ้ามามอลงมาก็มาเถอะถ้าไม่ ร้องกับทําไม่ผัดก็ไม่เป็นไปแต่ทาไม่ท้องกับทําแล้วเราเล่นโดยไม่เหล่ทาทั้งนั้นยาไม่เห็นนะใครมาคนนั่นใหญ่คนนี้อํานาจวัฒนาคนนั้นมัง ม, มีคนนี้ฐานะถูงเ น, งนี้อยน่ามายุ่งในศ า, ศาสนานเป็นมันขาดในหลักธรรมแบบนี้ไหนประจบกระแจ้งหาประโยชน์อะไรประจวบประแจงขดมอบลงในธรรมที่มันจะได้ผลได้ประโยชน์ ทำตัวให้ดีนี่จะเป็นพระนักธุระปิดธุระการนั้นกับแขกกับคนกับอะไรต่ออะไรนั่นในทางดาเ น, นิ น, นเพื่อทางความพ้นผูกแบบโลกโลกแบบพิเรนเหลอยุ่องอะอรกับไทยมาหาภานนาไทยจะมาพูดมาก็พูด พอประมาณพานั้นถอบอกให้ดูเหตุ ด, ดูผลนะพอเห็นี้ตอนรับแขแล้วตอนรับด้วยความจำเป็นในฐานะอี่จะมาเกี่ยวข้องกับเราตทางไหนผไม่ได้เป็นอารมณ์กับใครใครจะมาตอนเราก็ไม่เคยเป็นอารกับใครถึงข้ออาเรื่ อ, นองนั้นนั่นการจนทระเจ้ า, จาหน้าเจ้าตาส ธุรกิดธุ ล, ก, ลการวันนัในวันนี้เห็นไม่จําหน่ายฉบับเขาเขามาเราให้อ่านดูหนี่ยเรื่องเขาตําหนิเราเรื่องอะไรหรือว่าเขาเขามาไล่ตอนนี้เขามาจะ ล, ลุกเราเข้ามาอีกแล้วจะรอการแล้วเป็นถึงคนกล่าวนั่นก็นเลยนหนีว่าเพราะว่าเราแล้วก็มีพระอะไรเนี่ยเห็นไ ม, นม่ได้จํมหน่าเป็นลักษณะกระจกกระจ่างอย่างเงี้ยง เราไม่ได้มาสนใจอะไรเยอะเขาจะาตหนิเรายังไรยังไงนันแต่เราจะหาเหยุหาผลเอาหลักเอาผิดแล้วมาจับได้ตรงพ่านจะจบกระแจงอะไรเขาเขาหนึ่งมหนเป็นหมายฉบับนั่นเห็นไมอามไปอา่านดูให้ทั่วว้าเที่เขาจะตําหนิเราเขาจะยกถ า, กานบกทามตำหนิเพให้เขาตำหนิคือว่าความจริงแล้วยินดีรับทางนั้นนหละไม่ว่าทาตำหนิว่าทำชมมันเป็นเรื่องทำของโลกเท่งนั้นเราไม่ไเคย มาวาดมัาเสียวประมาในเรื่องลมปากคนแต่เราวาดเราเสียอยู่ในกิเลสที่มันสังหัวใจพระหนึ่งเดิมที่เราซ้อนให้แฝงอยู่ตรงนี้จุดที่เราต้องการจุดที่เราสนใจมากยิ่งกว่าปากคนนะฮะมีหน้าบัตรนี่ใครมาก็พูดพอมันประมาณนะอย่ายุ่งนะเราไม่เคยเห็นเราไม่ยุ่ง ใครจะมาหาม่มาหาเราไม่เห็นถือเป็นสาคัญยิ่งกว่าท่าเนีนเราปฏิบัติให้ดีในวัดนี้แล้วมุ่งอันนี้เดี๋ยวเนี่ยที่รักใจว่าอยู่ตรงนี้นะเราไม่อยู่ก็แอกกับคนว่าใครมานับถือมาดับถืออะไรนับถือก็ยึดในหัวใจก็เงินยึดพาก็ยึดในหัวใจก็เงินสร้างเหตุดีช่วยวอยู่กับหัวใจของเขาใครจะเป็นคนรับผลนอกจากเขาเองเราไม่ใช่เป็นคนรับผนถ้าเราไม่ตีข้าหมายในคาพูดคำจาของเขามาเป็นเหตุขึ้นภายในหัวใจสร้างเหต ดีเหตุเือขึ้มาพานเข้าใจเงี้มัน ม, มีอะไรเกิดขึ้นเรืๆๆ่องดีเรื่งชั่วถ้าเรามาสั้งนมาเองนอกจากล้มเพียงลมปากเขาเห็นอะไลรลมปาแล้วก็มีว่าแตรลมปากเป็นองล้มปากเรายังมีเรายังพูดได้ทำไมเขาพูดไม่ได้หูเราดีเราฟังหน้าทำไมเขาฟังไม่ได้เขาฟังได้เราทําไมเราฟังไม่ได้นอกจากเป็นโง่หรือฉลาดคิดเอาประโยชน์หรือความเสียหาย อเอาเผาตัวเองไปงนแ ล, และให้จะยี่มงคลไปตัวงาน น, น, าง น, งนั้นมีพลังเนี่ยหลักธรรมก็มีพลังได้แฉกคนมาดูไปเยี่ยมกุฏิกลางยุ่งน่ก็เหมืนอมนกันนะมีมาให้เห็นนวัดนี่นะมาแต่ไหนบวชมาแต่ไหนก็ ต, ตามบวชมาเป็นพระต้องเป็นพระหลักธรรมหลักวินัยครูบากาจ า, กการย์ดำเนินยังไงที่เห็นว่าถูกต้องแล้วดําเนินตามนั้น ยาเรื่องของโรคมาเยียบมายั่งทําลายศาสนามาเหยีย ب, บวัดเดียบ ว, ว่าเรื่องของกิเลสทำนิเสเซติโสอะไรกิเลสหนึ่งเรื่องของทำต่างหาที่เด็ดสอนสอนเพื่อจะทำต่างหากเศษแต่ละเศษไปทีเศฉยๆความสําคัญทวนไม่ดีมันเป็นไฟอยู่ในหัวใจนั่นแหละทำลงใจมัน สว่างกระจังแจ้งครอบโลกาธาตนี้ใครจะมาตําหนิสามแดนโลกาธาก็มาด้วยเนียงลมปากคนเท่านั้นมันพิเศษวิโสอะไรลมพัดไปมากอย่างนี้นยินเสียงนี้แม้ว่าอะไรลมปากคนสนใจอะไรก็เรื่องของนั้นดูหัวใจในของที่มันเคลื่อนไหวมาผิดถูกประการใดนั้นรัฐตัวสร้างอยู่ตรงนั้นดูตรงนั้นที่นัปฏิบัติมากมากเขามาเข า, า, เขารื่อ ย, อยอๆ ดูไม่ไ่้จะอกใสเรแล้วเดี๋ยวนีผมห ม, มักมูดแนะนาสั่งสอนหมู่อ น, นี่ที่เกิดมาเหล่านี้ไม่ใช่ทางเดินเพว่ความพ้นทุกข์นะนี่แต่ความสั่งสมทุกข์อย่ามาเอาความจำคันว่าจนมาอยู่กับพี่ทำที่นี่มดิบมาดีอนยะ่างนั้นนี่เจ้าของไม่ดีเหมือนกนะันเขาเนี่ยถ้าดีมันมาจะต้องพูดจะอยู่ตลอดเวลาดุด่าบ้าสาตลอดเวลา ด, าดีถ้าดีแล้วบ้างแต่อะไรทีททเกิดผลประโยชน์ ้านยากแก้ไหมคุณคุณมีผลบ้างหรืยาที่ท่านบรรยาให้มันตื่นบ้างนั่นแหละที่ฉันที่ันไปถามนี่คุณแก้น้ําหมุนกันนะ่ฉันแก่น้ำมุนเสือแห้งฮะคนขอมามาา เรนตกตายก็คุเยอก็อะไรนีน้นะนี่จให้นแก่รับคุณนี่ก่ทั้งไก่นี่ฟาซีฟาขาแบานี้งันก็หวานดีก็มาแบบนี้มากต่อมากใครมารับใครมาก่อนล้วเยี่ยม ยิ่งกับผู้บุคคลยิ่งไม่สบายอยู่คนเดียวถ้งสมายปกติมันไปยืมควรจะคนพูดจะแออบคนกอนข้าวยังไม่พแล้วไม่พูดเป็นความอะไรตัไคร้มองเห็นเต้องการหัวใจให้ผู้ที่มาพอเป็นกติ วันเดินทางมาดินอะไรมีแฟนนี่กูแลันปล่อยมุดมันน่าจะปชุมอะไวันนี้คือวัดทำโรงเพลงมัสการจบไปแต่ยังไม่ไหนี่ ดึงจะศพเราไม่ไปใครเขาก็ประชุมได้ม่สบายที่อ่านไมไปแล้วหนขึ้นมาขู่ว่าเอาปรมาทขึ้นมาเถอกูม คนไหนปทีท <premises, S 2> ่านที่บอกวันที่อะไรพวกที่เคยไปเข้าไปสองคนกันคนสามคนคนสองคนมาถึงเท่นุ้มอไอย่าง้นนมอะไรย่างกูผูกคงจะตื่นข้ามา ไม่รี่เยรู้ไม่เคยมาฮตรงนีไม่เคยมาทั้งสองทั้งสองปี่ปกดีจังเลย ขอหนังสือไหมพวกอย่างนี้เขามาเขาขอหนังสือไหมฮึนี่เนอโอ้ยเามาแหละคือเขาไม่ได้ขึ้นร้านเราหรอกนะขอหนังสือไหมแล้วพวกขึ้นมาขอหนังสือไหมเพราะขาะสาคนหน้าไหนนที่อยู่มาที่มาเมื่อวานนี่ละผู้ชายสองคนผู้ชายก็อยู่อง มาจาไหนบ้างท่านคุณมาจากไหนบ้างทั้งสองกลุัมเนาะทำงานเพื่อดีแต่ดีแต แบบบูชาแบบบูชาทำบุญทำไงการทำบุญทำเพื่อใกทำกันเราอยากทำก็ทำได้ใครทำทำง่าู้มจะเอาเินมาให้เรางไมาให้ไงร่างมันจะพาากันลง นไเิางไปไ่นุ้นกุ๊บว่าไปเราก็ไปเดิมองอเรากาลังเดินหมาท่านหลวนหสนใจท่านกำงเข้าไปเป็ัไรเลยนี่ไปเอาหมา่านหลืงช่องวางท่านงนีเหาะอะไรทช่อง เอ็งเสอนนั่นนู่นแล้วทำไมองนอยู่ข้างบนีจับดีงมงเงินยสี่สิบบาทวางบนนะนี่ผมก็ไปจับดูนี่นะใเพราะไม่เห็นี้เขาเลยเขาวางอยนี้เห็นแต่เขาไปสอนัู่่ที่สองผมไเลยดูผมกำลังเย็นอ่ะงนี้เพาเขาทำด้วยกัน วางซ่อทึ้นบนน้องใช้ช่องอะไรนี่นั่งเขาเอาไว้ด้วยกัรสอดโดยกัรตรงนั่ที่ใา่ใหม่สรงมาเพื่อตั้งนางด้วยแบบนี้เรเอามานานแล้วต้นไม้ล้วก็ไม่ตอบเขานี่ที่จะส่งให้เขา ไม่บอนูเพื่อนหนูเพื่อนจะลืมคือตั้งแต่มาลิ้นแดงมาตักแต่นี่มันงานกามาทำบุญก็ลงปู่ขาวกันเลยนะนี่เหรมันทำให้ผมยุ่งผมจะตายละต้องมีกรรมทัพกรรมชาแะมัดระวังเขาต่ามาแลผ่านเราทำบุญลงปู่ขาวบางคนกรรมทับมาให้เราเป็นคนทำเองมี ถ้่จะเาจะดทำวิธีใหม่นันก็มีอันนี้มัหนกามาอยู่ในหัวอเรานี่งเอกีกี่บกว่าันมีะกองนี้เข้าอันนั้นเยราก็ไม่แน่ใจ นี่งก็ดีนี่เนี่ยมันลำบากนะพมันผ่านนะโฮแคแตกมาครั้งหนึ่งนละ้ที่เจดีอพนนั้นคนชัวนะ่วนั่นมันไปคนชั่วไปอย่างห น, นักไปอย่า ง, งเบาไอย่า ง, งมีเรื่อกูขายด้วยนะี่ผ่านเราเนี่ย ืมต้องอคิดตัวเขามาพอกระเท่ากันก็จีบจีบแค่ไหนมันมาผ่านด้วยเัยนเอยว่ากูพาคนอยากทำบุญแต่ไม่เข้าใจ เขามันพูดกับเราเขาทางกับเราก็มาผ่านเรานั้นะจนมาแต่แมคนที่เคยที่นี่แต่าจะทํากับันจะทําัไนนม้งผ่านเรากปนพี่ก็เป็นธนาณัตหนึงที่จะเป็นนสดที่มีนหมากอ่ะ ยืนหอบเราทั้งนั้นให้ง่ายแกงเราไม่รับผิดชองในการพักกมชาติ้เนื่อยให้นอนให้มันเคลื่อนค่าตัวสิ่งนี้เราต้องมีกดขันความเลื่อนความข้ า, าเบือเลย อย่างอย่างเราเนี่ไม่เหล่สนใจอะไรกับสิ่งมันี่แต่เวลามันมันความมันเป็นเข้ามาเนี่ยมันก็ได้สนใจนี่เนี่ยไปอย่างนั้นสะเนี่ยล้าว่าไม่มุ่อว่าจิตมันเป็นโลกของมันอยู่เป็นตัวแล้วมันก็มีส่วนขีดได้เต็มที่ได้เหมือนกันมันทาให้คิดในแง่นั้นเราไม่ได้คิดในแง่วุ่นวายของเราที่เราไม่มีอะไรเป็นเพื่อว่าเนี่ยความมุ่นมาและความรักผิดชอบของนี้เราไปยังหนัก นัยิ่มันมันมีความโลกอย่ในนั่นมันยังไม่ผิดไปได้อย่างไรมันผิดจนได้แล้วว่านั่นถึงท่านไม่ย้อนทุงเรื่องชาติวิบากชะต า, าที่เบญจกาศศษิตที่เบญจกาบัญญัติที่ทรงรวมตามหลังทีหลังให้ยินดีในกับปิยภัณฑ์ตอนนั้น ถ้ามมเงนะินแล้วองไรวมกันนเขาล้เพื่อัณฑแต่้ามยิแม้แต่ในคาตาูนกันเหมกันิตไม่เยอะผลิตไปแต่ิไยออะไรดึงเ ร, งรงื่ออะยุบข้คนี่น่ หรือการให้ยีวาตัวนี้ตัวนี้อะไรมีสองคนคือรับไปประทึงโกฏิเลยให้ผู้อื่นรับกพ้นในที่กระบวนนี้เพื่ขห้ามทั้งรับเองทั้งให้โหฏิรับนี่เป็นสมบรรดาในที่ก็ะบวนนี้ในเรื่องนี้ท่านต่อมาก็ประชุมอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาตในเรื่องกาเตดทีมาขอความผ่อนผัน เกียวกบพาขึ้นมาจากตุกูนต่างๆห้คุลไม่เยอะต่อน ท, นทุกุณเรื่อยๆมาก็จะมีเมื่อมาอีกนี้นให้ปฏิบัติยังไงรับควาะทีตันเจอรับความส ะ, ะ, ะดวกบ้างอะไรช่วงลดมาเพียงเลยกน้องถาให้คนอื่นลัไว้ได้เพื่อกัตถิยาพฑ์แต่ไม่ถ้าไม่ถ้ายินดีในเ่องของที่เขาจุดบไว้ก็ต้องนั่น อันนี father, uh ้ห huh. <Okay. S 1> uh ้ามหาเรือเก็บเองวิญญาณไปเก็แล้วเพตึงกอดีได้ยินดีในสิ่งที่เขาเก็บไว้เพื่อตึงกอดีดนะป่าเหนือคันว่าไงที่เขาบอกว่าเราไปดูไปตัดปฏิการั้งันห้่ไปทั้งห้ปีว่าอุบัติเหตุกลางว่าใช่เยอะใช่ไหมดึงๆนะจะดูไปตัดิกัน เอาลองว่าดูคุมดืกๆนาไปจะตับอไต่งๆเยอเราเป็นกาให้อาารปบนนั่นแะที่ว่ายินดีทีเขาเสนอสตงเงินเดที่สามก็ไม่พ้นอบาตตนตั้งชื่อมาปวงขัน เราก็ค่ิดหรือว่ามันไม่มีเหตุมันก็ไม่ได้คิดมากเนี่มันมีเหตุมันมาเกี่ยวข้องกับเราให้เรายุ่งยากอันนี้เป็นเหตนที่เราคิดถึงเรื่องความละเอียดละออของส ข, ขา่าวบทตอนนี้ที่ โ, โองทรงบรรดาทั้งทรงบรรดาไว้ตน้นทั้งทรงรวมผ่อนผันก็ผ่อนผันเพียงแค่นั้นไม่ให้มากก ว, ว่านั้นเลยองจารย์วันยังตัดขาดตัดสาไม่ให้มันเยื่อใยกัดสินอนี้ บางทีบกมาจากว่านั่นวันนี้มาเพื่อว่านั่นวันนี้ก็ยังหนึ่งนะบางทีว่าท่านทุยวอะไรมั้งอย่างเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของทางวัดเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ได้คิดอะไรเพราะผ่านไปผ่านไปเลยไปเลยไปเลยอยอันนี้มันไม่ได้ผ่านไปเลยมันก็เสียเจตนาของถ้าเราลืมจะเสียตรงนี้เสียเจตนาของทู้ถวายผู้นั้น แม้จะไม่เป็นโทษเป็นกรรมมันก็ไม่พ้นจากความมัวหมองในความไม่ร่ตัวยของอยู่นั่นแหละเมื่อตอนไหนท่านความคิดเนีนเนเ่ยนเ น, นี่เป็นเหตที่ไปว่านถึงนี้เป็นภัยด้วยต้องระวังด้วยคุณมันมีเรื่องน้อยแต่เรื่องภัยมีมากภัยมีมากก โทษนี้มากกว่ากินอันอนยู่กัโลกมันเป็นกี่ยวข้องกันอยู่นั่นครับองยืมเป็นมาเป็นมาแล้วการปฏิบัติยังไงกับสิ่งที่เป็นมานั่นเนี่ยถ้ามันเหมาะสมมันก็จําต้องเลยเกี่ยวข้องมันอยู่โดยดีอันนี้อี่มันอย่างนี้อันนี้เหมือ น, น, น, อ น, นเป็นเจ้าโลกโลกจะตายเพราะอันนี้อยู่เดี๋ยวนี้เพราะกระดาษ แร่ธาตุนีน้เงินส่วนเงินทราอะไ ร, รก็เป็นแร่ธาตุกันดาลลูกนี้มันยกมันขึ้ น, นมันละเอียดแก่คนนี้มันนู้นเราจะตายเพราะอันนี้ที่้ายไว้ตัวมันเพราะนี่จะเป็นเพราะอะไร ธรรมาดาธรรมาดาเราก็ตื่นอะไรกันแดดไปตื่นอะไรถึงมันอยนู่นัน่นมึงพอเข้าใจคือมาว่าเป็นอะไร น, น, นี่ตื่นอะนั้นเลยเอาหน้าเอาตาเอาเนื้อเอาตัวเอาคุณค่าเอาราค า, าอะไรอะไรไปทุ่มจนมังหมดนั่นนั่นว่ามีหน้ามีตามีฐา น, น, นอืะมีที่สุขอะไร อะไรแล้วไปทุ่มแต่มันทั้งหมดมันก็เหยียบหัวอ้อยจริงๆไปตื่นมันไปหลงครับนี่เป็นไฟธรรมดาไม่ก็อยู่ของมันธรรมดามันใช้เหมือนกับวัตถุต่างๆที่เรามาใช่้ตลอดเดือนนันไม่เห็นผิดแปลกอะไรแต่ทําให้มันเป็นพิษนก็เป็น เสือสั่นขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งไปนะน้อนเป็นคืนยิ่งไปนย่างนี้หน้าคืนแบบตึงๆใจหลมันก็ยังอ่อนๆเหมืนี่เกลือลึกๆอันนั้นมาปิดกั้นมัเป็นสมมติอย่างที่ว่านี่อย่างกระดาษ มันสมมติเปนเงการรู้คนเหนือขนาดตาคอยเห็นจับดูก็รู้มันเรื่องเขาว่าแต่นั่นมันมันต้มืดมิดปิดตาไมเพราะตัวมืดมิดมันอยู่ในมันปิดปาบเดียวมืดมัวกลางตาลุกวาวเลยลืมไม่เคยถึงดีถึง